ร่างกายมันไม่ค่อยสบายออกจากมาเมืองนอกมาเลยไม่ได้นนจำรรษาอย่างนี้เลยพักโน้ตรักษาโรคทุกวันนิน้อยเนี่ยโยงไปเลยเนี่ยดูนั่นอยู่ออกรรษาแล้วเขาวกไปโน้นปากพุดไหวหนะึ่งริดไม่น้ำมูลนะี่ยโยงก็ไปไม่ได้แล้วนะีรถใหญ่เข้าไปไม่ได้มันมี ก, กันอยู่ข้างนอกอย่ตี้งนานเพิ่งกลับมา ก็มาประชุมเนี่ยประชุมมาประชุมท่าประธานเนี่ยก็ทับยืนยอืมประชุมมันเสร็จแล้วก็ ป, ประชุมกันกระบวนการจ่ายเงินเข้าไปอืมกำหนดราคามันเทไร่เนี่ยสามแสนห้าหรือประมาณนี้ก็ทำกันงานานแล้เสร็จจะทำท่าประธานเนี่ ย, นนยมันเสียใะ จะพยายามทำซุ้มตรงนี้เสร็จจะไปทำไปได้เสร็จได้จะตัดดูนิมิตจะมั่งโย่ดูนิมิตยังไม่ได้ตัดเท่านั้นเอาไว้นั่นก่อนทำรบอบรอกยังมีเสษยังมีเศษมันไม่ปีนี้ขึ้นขึ้นมาด้ยวยโยมเนขึ้นมาพากิสานีขึ้นขึ้นมา ฮะเออแม่ประกันระลากการงานมาเนะอะใ้ความไปจริงมารู้นี่มันดีนะ ม, นมันไม่ร้อน<ะ>แม้จะข้างคืนก็ไปตรงกลางเ<ม>ย็นสบายยุ่งก็ไม่มีอาจจะมาเคยแนะนำพวกชาวญาติโยมที่พระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจของเราทุกคนเถอะ <c oughs> ให้มาทุรง ภาคอสานนี่ปีละครั้งอย่างน้อยพระอาจารยังไปทุดมนี่เราก็ไปทุดมกันดินีอย่างมาไปทุดงเหมือนกันมันมันมันประสบกับไอ้ไ อ, อ้รูปเสียงปีนมันมากแล้วนะคุ้มปีหนึ่งแดีวก็ออกมาสักทีมาอยู่ในป่าเนีงยยังไงลนะ่ะมองอยู่ในป่าเนะนี้ยมันฮะเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่า เกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเยือกเย็นอย่างนี้ใมันให้มันรูน้จักมีอืถ้าเราเฟมักอยู่ในกรุงเทพแห่งเดียวเท่านั้นเล ก, ก็เท่านั้นแล้วน น, นานมาที่หนึ่งรู้มันสบายใจมานอนค้างแต่คืนหนึงน่งก็คือมานอนค้างในป่ากลคืนใน ทำวัดกันในนั่งกรรมฐ า, านกันในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมัม้งวิ่งตะคุบต่เงินอยู่นั่นแล้คุบ ม, มากระดูมือไปอีก็จะคุก ม, มาอีกอยู่อย่างนั้นแหละวุ่นไม่เคยไม่เคยได้ตะคุบเจ้าของหุ่นรถสายทางรถเมีตะพื้นะพื้ป็นไปอยู่อย่างนั้น ควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็ยังดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็วันละหนึบกลับมากลับมาใหม่ถ้าไม่กลับมาใหม่ทั้งวมามามากคนไปถนัดแม่ไปยังงันได้รู้ว่า เยตะโกนกันกขึ้นรถเยวตะโกนกันกลงรถอะไรวุ่นเนี่ยไปหยุดการตลาดตินี่ใคาจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่เลยวุ่นแะโดนหมดเดียางหมเดียัก่างมดเดียวย่า ง, อาอางคนโน้นเอาน้นคนนี้เอานี่านบางทีได้เกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธไม่ทันเพื่อนก็ได้โกรธ เจ้าหมอไวสวใช้ยยังนั่นก็มีมันมากคนที่เขาเออ้วันหลังมาใหม่ดชวยมารถไฟผุดๆุดุดดมาลงเนี่ยมาค้างจักสามคืนหรือเจ็ดคืนเพราะว่ามันแน่ดีทึ่งสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิโดยมากถ้าหากว่าคนเรา ถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่นอย่างเงี้ยโยมั น, ม, นมันไปไกลแล้วป่นเนี่ยมันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเรานะี้จิตใจเราโหดร้ายก็ไม่ดูจับจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่ดูจักบมิเตเสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อย ไม่เคยดูเจ้าของสักทีพระพุทธองค์จานสอนว่าวันคืนเนี่ยร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเนี่ยแล้วไปอ่านเนียก็แล้วไปอา่ปอานจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันมาวันคืนก็ร่วงไปร่วงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละอืมมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดตรงไปว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่คือให้เรามีสติความระดึกได้สมบัติชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอมาเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เรากหกเรากหกตัวเองหรือเปล่าโกหกคนอื่นหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จกักไอคนนี่มันไม่โกหกคนอื่นมันโกงโกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องเรื่องโกงหกคนอื่นพอรู้สักนิดหนึ่งเรื่องโกงหกเจ้าของเนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยเรื่องโกงผมเจ้าของเหนือยทาให้ใจสบายเขานึ่องมาทําให้ใจสบายแต่โกงหกเจ้าของอ่ะเนี่ยความรจริงไม่ไม่ค่อยดูเจ้าของ ว่าเราทำอะไรอยู่ไอ้ความเป็นจริงคำนี้มันเป็นคำหนักนะพระพุทธองค์ท่านเน้นในเราดูตัวเรานะแล้อย่าไปปล่อยตัวเราสิท่านเน้นหนักมาให้เราดูตัวเราเองก็เพราะเราเกิดมาแล้วก็มาเราคนเดียวลงมามาเองไปเองทำชั่วแล้วก็ทาเองทำดีก็ทำเองเราทาเองเท่งนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าที่สอนมาให้นิ่หนักกว่าเราทําอะไรอยู่วันคืนดงไปดงไปไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเราทําอะไรอยู่มันก็มีทิพย์พึ่งอย่างวันนี้เราเราไปทําอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทํานี่ไม่ดีอย่งนี้น โกรธเหนเขาเสแล้วนี่คือคนทำดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดี <c oughs> เราทำดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นมาไม่ดีก็โดยไม่ดีไปกระเขาไปเราทำดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเพราะดีที่เรายืนยันที่เราทำดีอยู่เนี่ยอออืเราบริโภคข้าววันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าไอ้เธอยังไม่อิม่มจะทำงาง เราจะเชื่อใครไหมแล้วก็เชื่อเราจะไปเชื่อเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างเนี้ยมันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราเราก็พึ่งตัวเรามือนก็รีตอไปถึงว่าอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคานี้ก็ไม่ผิด จะทำอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทำกิดกับเตือนแล้วมันจะทำอะไรก็เตือนจะของอยู่ด้วยด้วยอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนหนาะมั้งนี่ไอ้คนอื่นเตือนเราก็โกรธใช่ไหไม่ค่อยเชื่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่กับตัวเราไอ้คนอื่นอย่างนี้ก็อย่างอัตมาเนี่ยอัตมาเตือนนี่กี่เรือนกีปีถึงมหาอัตมาเนี่ยอัตมาจะได้เตือนนี่นะถ้าเราไม่มีอะไรที่ว่าเตือนตัวเราเองเนาะโอ้ มันไม่มีที่พึ่งหละเราจะต้องเตือนตัวเราดิเราเองเพราะไอ้ทาชั่วเราควรทาเองทําดีเราควรทาเองอะไรๆทําเองเท่านั้นตัวเองตัวเอ ง, เ อ, งอัตโนโยทยะตนังจงเตือนตนเลยตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเราเรานอนเราก็ไปด้วยกันกับเรา เราเดินเราก็ไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันทั้งนั้นเลยโดยไปทั้งนั้นอย่างนั้นจะหากว่าเราถ้ารู้จักตัวของเราแล้วนะ่ะมันไม่พลาดอืมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอนอืมอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้จักเราตัวลีบุตรทอย่าง ถ้าคนไม่เชื่อเจ้าของไม่เตือนเจ้าของเดี๋ยเป็นทุกข์บางทีอันนี้เราทําอยู่ที่ถูกต้องคนอื่นมาไม่ถูกต้องเข้ามาว่าเราไม่สบายใจเสียใจเพราะว่าพึ่งตัวเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพึ่งตัวเจ้าของได้เราทําอันนี้อยู่ดีอยู่ใครว่าไม่ดีก็ช่างใคร เ, เขาหนนผิดเราจะผิดทําไมเนี่ยเรามีเรื่องยืนยันอยู่อย่างนี้ อืมอย่างันี้ยให้เราเข้าใจอย่างนี้อืมเราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่ไม่เคลื่อนจากที่มันหลอกพระพุทธเจ้าตอนนี้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราน่ยมันก็รู้จักเตือนเรารู้จักตนอัตโนมโยทะยัตตังจงเตือนตนเลยตนเองตนนั่นมันคืออะไรอืมตนมันคืออะไร ใครเข้าใจว่าตนนี่นี่ตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งต้นจะได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแข่งเห็นขาเห็นอวัยวะนี่นี่ว่าเราเห็นต้นอืแต่เห็นต้นขนาดนี้เป็นเหตุเห็นต้นพอจะเป็นเหตุว่าให้เรามีความยึดมั่นถือมั่น าต้นดีต้นไม่ดีต้นฉลาดตนโง่สารพัดอย่าง <c oughs> อพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าอืมให้รู้จักอืให้รู้จักตนคนที่ไม่รู้จักตนก็เห็นตนเหมือนกันเนี่ยเนื่องว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตน ใครจะมากรรมกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้นินทาไม่ได้ฉะนัเสื่อมอ้นทั้งนั้นเนี่ยนี่เนียยว่าเราเห็นต้นเห็นต้นชนียดนี้ว่าเห็นต้นโดยที่ว่าตาเนื้อไม่ใช่ตาในตาในไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อนี่เชื่อมันไหมมันเคยโกหกไหมอ่า ม, ม, มันโกหกตาเนื้อมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยุด พีเลยเนาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เห็นความจริงโดยปัญญาคือตาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตานายคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนเนี่ยมันออกไปโน่นอยู่แล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนอมิใช่ตนอื ถ้าเห็นตนมันก็พอยตามทำตนมันโตขึ้นโตขึ้นทำอะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็ยเป็นคนเห็นแก่ตนหมดอืมเนยถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเรื่อยไปเห็นไหมหยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาเอาให้มากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเขาด้าวนนยว เ, เสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นตนนะ เห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นตนเนี่ยมันแบกต้นแบกไปจนมันจะล่มจนมันจะตายแบกตนเนี่ยไปทางไหนก็เกิกัตรงนั้นเนี่ยไม่สบายใจอันนี้เดี๋ยวไอ้ความเห็นตนในโลกเห็นตนว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาโดยยึดมันเป็นอุปทานมันเป็นภพแลวมันก็เป็นชาติเกิดขึ้นมาในคำที่ว่า ตักเตือนตนเนี่ยไอ้ตนนั่นนะ่ะจริงๆรินะ่ะมันเป็นอัตตาด้วยตนจริงจงเนี่ไม่ใช่อย่างนั้นกรองไปอีกทีหนึ่งเจ้กรองน้ํำน้านี่มันขุณนี่กรองดูสิ <c oughs> เห็นน้ำที่ใสออกมาจากน้าคุณนะ่ะเป็นน้ำใสกรองต้นนะ่ะออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอัตตา เลยเป็นคนมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนถ้าเห็นมามันมิใช่ตนมันก็เป็นอัตตาเป็นอนัตตาอนัตตามันก็ไม่มีตนตามความเข้าใจตามปัญญาไอ้คนมันวนอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันมุ่นเหลือกินบางคนเขาจะไม่ใช่ตนไม่จะไปทำอะไรละ พระพุทธเจ้าแต่ไม่อนัตตาไม่เหตุตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอนัตตาแต่ก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอัตตาอนัตตามันซ้อนกันอยู่อืโยมเคยไปตลาดไหมเคยไปเห็นเคยไปซื้อมะพร้าวมาไหมไปซื้อกล้วยมาไหมเนี่ย นี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล้วยมาซึ่งมาพระามาทาั้งใบดูมือถือมาเลยไปเปลือกมันก็มีกะลามันก็มีมันติดมานั่นแหละซื้อมาจากตลาดเดินตามถนนมามีคนดื่นถามว่าไอ้คุณถืออะไรมันโอ้ยฉันไปตลาดไปซื้อมาพระามาแกงนะอะทําไมเอาอย่างนั้นเลย ปลือกมันแก่ก็จะแกงนื้อน้ำเปล่ากรลามันไอคุณก็จะแกงเน้เปล่ า, รร า, อ เ, ลาเอาซือมาทําไมเนี่ยซื้อมาทําไมไอคนที่ไปซื้อมาพร้ามาน่ะก็ไปซื้อมาพร้ามาเพื่อให้มันทําประโยชน์เปลือกมันนั่นเขารู้ได้ว่ า, วามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อน กระ لام ันเขาก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะเทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสม ม, สมุติจ อ, อ, อ, อ, องสมมุติว่านายคอนายข้อนายคอนายงอก่อนน <c oughs> ี่ตัวสมมุติ <c oughs> เราไปซื้อมะพราะ้าวมาย่าไปหลงเปลือกมะพร้าวสิย่าไปหลงกระลามะพรา้าวสิที่เม่อเขาต่อ ว, ว่าเอ้ยไอคุณนี่มันโงู ไปซื้อมะพร้าวมาทั้งเปลนะือกน่งคุณกินเปลนะือกมะเดืออเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยแน่ถึงเอามาอย่างงั้นคุณจะเอามาเลยนี่กะลามันกะลามันมีไม่มีคุณจะกินกะลามไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกะลามันแน่อยงั้นไม่เอามาหรอกไอ้คนที่ถือมะพร้าวมันจะเป็นไงโกรธไหมมันจะโกรธไหม นี่มีสมมติเหมือนกันมีมุดเหมือนติดกันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานี้เราต้องเรียกกันส่วนเหมือนนายกนายคอนายคออะไรเรพูดให้มันรู้เรื่องกันก่อนนะพูดถึงส่วนผสมมันเลยเหมือนกันไม่มีแยกกันก็เราเกิดมานี้ก็ไม่มีชื่อแต่มันเกิดใช่ไหมมาตั้งชื่อกันใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ย เนี่ยไอ้เกิดมามาโดโดโดดไม่มีชื่อหรอกอืมเนี่ยแต่มาตั้งชื่อกันหมายทําไมมันจะมาเข้ากลุ่มใหญ่มันมันจะหลงกันจอมตั้งชื่อมันแบบนายกอมัง่งนายขอมัง่งนะอันนี้มันยังไม่พ อ, อภาษานี้ยังไม่พอยังไปปนกันอีกนะอืมตั้งนามสะกูลกันบางอีกด้วยขนาดนั้นมันยังไปซ้ํากันอยู่นะี่ยนะ มันจะมวลภาษาที่จะต้องพูดในโลกนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอัอนนี้มันปะพนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปะจะนั่งเล้าซึ่งเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนานี่ยฟังฟังพระธรรเทศไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุงกาดีชีชาวชนบทก็ดี ไปฟังเทศกันเป็นกลุม่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าดูที่ไอแ้แค่จริงก็ไปงานศพนะไปงานศพ ก, กันโอ้ย<ม>แต่งตัวอลมสวยงามนะมแต่งตัวดีๆเท่านั้นแหละไปฟังอะไรดีๆรดนตรีประเทศนตรงนั้นน่ยไปแต่งดีๆเท่านั้น ไ, ไม่มีใครนึกถึงความตายหร็อไปในงานศพนะ มิดเฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ยฮะอัานเดียอันนี้จาวตสังขารลาให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนอะแล้วก็สดุกสนานอย่อย่างเริมของเราเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไว้ว่ามันเป็นอย่างไงถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไป ทนร้องไห้ไม่ได้เล น, นะไอ้ใครไปร้องไห้อยจะมาเห็นไอ้คนนั้นไกลาจากพระธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวันในงานศพตรงนอยก่ะออกการบอกกันไปไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูเน่ะเน่ยถลาความโศกเี่ยโยกแปรผันอย่าเลยยอมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินนะ เป็นธรมรมดาจะแม่ฉันเคียดเหอือจะแม่ฉันร้องไห้เหรอถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีใครไม่ทำไอการร้องไห้ก็เดือยคนนั้นใจดำนยพูดไปเงืนเงนน่นเธอไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายคาุณษา อันตมาเคยเล่าเล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เล่าว่าให้เสียประโยชน์แกเป็นนักบวชมามีภรรยาสองคนสึกไปแล้วคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมีย น, น้อยอันตมาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังเมียหลวงตายโอ้ใจไม่สบาย อันใจสั้นใจยาวมาฮัตมากราบหลวงพ่อโอ้ยผมไม่มีทิพพึ่งแล้วเห็นน้วงพ่อเป็นที่พึ่งของผมพราะจะทําอะไรกบบผมได้ทําไมแม่ผมเป็นเรื่องใหญ่เลยเกนินใหญ่อะไรคนได้หลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กลัวมันใหญ่ไปมันมีไหมนี่เอ็นคนตางหาก น, นี่ยผมเอมาี่ที่โยมเรื่องอะไรมันใหญ่นะักใหญ่หน่อยครับ โอ้เมียผมตายอุ้ยอันตรมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เว้ย <c oughs> เรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกผมก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> อันตรมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่นี่ว่เมียตายนึกว่าเรื่องใหญ่ร้องไห้แล้วเน่นี่มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อืันตรมาเลยถามว่านั่นใครมากะใครนะี่ย อันนี้มี น, น้อยเอาเท่านี้ก็พอแล้วเสียไปคนหนึ่งก็ยังพ่อหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองนึต่อไปอยากจะมีสามก็ไม่รู้เรื่องมันเนียเรื่องมันไม่พออย่างดีทอย่าไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อ า, ายเท่านี้หมดเป็นจานเนี่ยกี่พุรษาแล้วนี่อืม เท่านั้นก็พอเอยจะทะเลาะ ก, กันก็พอเลยอย่งเหลือคนเดียวก็ดีแล้วอยู่สองคนมันทะเลาะ ก, กันนี่อยู่คนเดียวใารมันดีเนี่ยมันทะเลาะ ก, กันเดื่องอะไรคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่านว่าเรื่องธรรมดานี่เรื่องธรมรมดารวมเข้าใจไหมว่าถ้ายงมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี้ยเข้าใจไหม คนทำไมจะทำอย่างนั้นหะอถ้าไม่มีของก็คงไม่หายก่อนมันไม่มีอะไรจะหายเพราะเราไม่มีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเลยหายเล่าเรื่องถึงสมเด็จตังคราดไม่เห็นต่นหลอกอาจจะมากเกินเลยิงเขาเล่าเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในในในข้างโน้นกว่าเป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ ท่านไปเมืองจีนที่ไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันมาถวายถ้วยชาแมมันเฮ้ยเดือกันยันเมืองไทยเราไม่มีหรอนี่ถ้วยชามาันกบพอจะถ้วยชามาตกมือป๊เป็นทุกข์เลยแม่จะวางไม่ทีไหนอะไรมันทุกข์ท <laughs> ั้งทั้ ฉันแต่ก่อนทันดีๆยืนฉันไมมีถ้วยชาเลยต้อาทาสต้องมาทาพวกเขาสอนถ้วยชามาเส่มือพาดโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรไมีจะมองเท่านั้นนะเอาใส่ย่ามใส่ถุงเท่กระเป๋าคนมาจาามับย่ามระวังถ้วยชานะมันจะแตกอะไรของแตกมีเน้นวุ่นตะลอดมา จนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกมานั่งเครื่องบินมาก็ทุกมาดรด้วยถ้วยชาไปเดีมันทุก่ปมันจะมีมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่ <Okay. S 1> ออพอมาเป็นทุกมาถึงบ้านเราเลยไปยังเก็บเป็มันดีเลยนะเนาะไอ้กาชับเด็กเลยนะไอะ้เนียนระวังนีนะเนี่ยนนะถ้วยชาไปะวังดีๆนะเออเสียดายมันเป็นทุกในโยมเป็นอย่างนั้น มันทุกข์ในคราวที่มันมีขึ้นมาัปไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามมณีมาใช้วันหนึ่งพอดีชาไม่ดูดมือแตกเครดเอาอหมดทุกข์ไปทใชทีนี่งนไงเนี่ยแต่วันนั้นตัวหมดทุกข์เลยช <c oughs> ่วยชามันแตกจะทำงานม <c oughs> ันกรี่ไรหรือช่วยชามันดิ้นี ก็เลยหมดทุกข์นี่มันบังเอิญไงมันหมดทุกข์โดยโยมถ้าหากว่าตัยชาใบานั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรียดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่หยู่แล้อันนี้ไม่ใช่ตัวชาของในบ้านโยมคงมม <c oughs> นะวังอ่ะมันจะแตกระวังเลยอ่เฮลลาวาออทําไงล่ะนี่ <c oughs> ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์ยาวจะมีถ้ามีแล้วผมนึกว่ า, วามันจะสบาย คิดเอานะนี่คิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาทุกแล้วก็กเออนร่วงเงิที่นี่นะทุกี้ทุกกลัวมันจะหายอยู่แหละกลั ว, กวมันจะแตกแต่ <c oughs> ออคิดถึงเรื่องทุกข์โยมทุกคนใดทุกที่มันเกิดขึ้นกัาไม่รู้เรื่องมัน <c oughs> อย่างสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเนี้ย แต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อกแม่ฝ่ฝันไปอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไปพูดตรงไหนฉันในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉันก็จะสบาย่ไม่เป็นห่วงเล ะ, ะตัวสําคัญเลยนะไอ้ <c oughs> สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะเรารักษาบ้านนี่นี่สําคัญนี่ ตายายนี่บ่นตลอดเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันมันเคืองมันนี่เลยก็มีตรงนี้มันข้อไม่กวาดตรงนี้มันข้อไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นไม่เป็นเปรกันหมดทั้งบ้านเลย <c oughs> ตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชาลูกสาวลูกชายเพราะ รักษามานในมันสะอาดเอาทุกวันทุกวันก็ลูกสามก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่น่ยจู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เ้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบื่อ นอนเท่าไรก็ยิงเยอะเดียเ๋ยวหนีไปจ้ะเดียวบางทีมันก็ ม, มันโมโหมันมันไม่พูดมันได้ดูดวมเแม่จะไปที่ไหนก็ ไ, ไปสักทีแต่ความมีเงินจะตายมาเยามื่อไรก็มีตายสักที <c oughs> มันอยากพูดตรงนั้นแต่ว่ามันพูดไปได้มันนึกขุดถึงคุณพ่อคุณแม่มาไดอุปบุกอีกอยู่อย่างนี้นพูดเียเสียๆอย่างนั้นแหละนะออืยังว่าเราอนะืเกิดขึ้นมามันเป็นยันน้ไงไปตีความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปติีความฉลาดร้ายมันก็เลยโง่นะ คนคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ประสีตาสากันยังชั่วนะยังเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กหรืมันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานําตามมมหาพระคศสอนมันแอาจารย์ก็สอนให้สอนนักเรียนครูสอนมันไม่ฟัง ว่านักเรียนมันดือ้อมันเก้นเงี้ก็อสอนนักเรียนนียครับสอนไปสอนไปแต่ว่าเด็กเด็กนีมันโง่กับคนให้อภัยมันนะ่ะอืมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันนะ่ะเนี่ยหันหันหน้านี้เลยไม่อยากจะพูด <laughs> ครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมียี่สิบคนสามสิบคนไหม สามัคคีกันดีไหมหันหลังใจเนี่ยออกไปทั้งนู้นนีไม่กล้าพูดอัตมาควรเด็กเนมันเืนมันควให้อภัยมันไว้ไอ้ผู้ใหญ่นีครูนี่มันคนรให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เห็นไหมมีผลจะถูกเด็กระิกแบกความไม่สบายใจออกไปทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ย มาอ่แต่มาด่าทั้ทั้งหมดเลยเข้ามากั้งแค่คนนั้ว่าเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเขียน น, น, นี่มันเต็มที่เนี่ยพอเขียนเด็กๆ เ, เขียนไปกี่แม่เขี้ยนทั้งครูที่เต็มที่ทั้งคนที่ไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่ของอย่างงี้ละเราแจวไอความฉาดมันกดีในโลกถ้าฉาดจะทําทอย่างนั้นถ้าเขาไปทําตามเราแล้วก็ ไม่สบายทอานน่้นี่ตกนรกนะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะยาฉลาดจนเกินไปอะไรอะไรทุกอย่างเราบริหารให้ใหมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่มึงยังไม่ได้กินอะไรแล้วอย่าไปพูดโดยอายครับ อายครับเราตายไปก็เอารดเบรคมาหนักสบายเนี่ยะวังเลยดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเจออย่าไปทิ้งมันนี่มันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นมันก็ทิ้งมันไปที่ไปซี้ไปแสงเสียคนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทํายังไงมันมันบอดจะทําไงมัน ว่าวันนี้นี่สีแดงมันเป็นอย่างงี้สีเหลืองมันเป็นอย่างงี้อยู่ที่ไหนคนุณยายสี ข, า, ส ข, า, ข, สขาวนี่มันขาวขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวนี่ะไอปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวอย่างงี้ลูกมันมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นยังไงคุณยายไอปูนขาวมันก็เหมือนไออสีขาวธรรมดาส totally ีขาวมันเป็นยังไง ในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตามไม่บอดจนเลยไม่รู้ว่าไอเจ้าอะไรมาตอบมันก็คนไม่รู้เรื่องเนี่ยยังหลานตาพ่อไปทำมาเออไปบ้านผีครับเอ้าพ่อผีมันคนตายเป็นมันเป็นผีเนี่ยตาตาผีตายเป็นอะไร เป็นช้างเนี่ยช้างชางคนช้างตายเป็นอไงเว้ยเป็นคางแดงคา <laughs> งแดนตายลจะเป็นอะไรอีก <laughs> เป็นโกรธพ่อโกรธแม่ม <laughs> นะื่แล้วจนจนหลานเว้ยหลานมันไล่ ท ต, ต้นมันปลายมันนี่อย่าไปทิ้งโครนมันปลายมันนี่อย่าไปทิ้งต้นมันคืออะไรปลายมันเดียต้นมันคืออะไรเกี่ยววันคืนนี่ที่เราอยู่ตวนมันมีวันกับคืนมันคืนมันรวมไปรวมไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาในกี่ปีแล้ว ถ่าคนถามเนะถ้าพูดเหีมันตรงเกินไปแต่เขาเนือว่าเราเล่นตัวนะชา่ากี่ปีเนะ่อายุเท่าไหร่นี่เกิดมาอายุเท่าไหร่ในวันหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นนะ่ะนี่พอดีพอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะ <c oughs> เล่นตัวนี่หัวเสีตีนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่พูดพอดีไม่ได้ อ้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นเนาะไม่รู้จักเราพูดตรงเกินไปอือายุเท่าไรไม่รู้มันก็เคืงใจมันนะไอ้ความเป็จริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมานีใครรู้ไหมเกิดมาเลยกี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่จรรู้จักมันเกิดเมื่อไรละ หลายพอรู้ภาษาแม่บอกครับเขาเขียนไว้เขาก็บอกบางทีพ่อแม่เรายิ่งทำงานบางทีลืมก็ได้วันทิศมันจันบางทีลืมว่าไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเ่วันทิศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้มาไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนบบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิธีพิธารอะไปสิ่งท่างหลๆเหล่านี้เราไม่รู้จักจริงๆ ที่เรารู้จักตัวมาสักนิดพอภาษาเนะี่ยแม่บอกแม่บอกอะไรเจ้าเกิดปัจ น, นุบันนะ่ะจําไว้ปีนั่นนะ่ะจําไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโ <c oughs> กหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเนะเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้ <c oughs> จะพูดให้ตามความจริงจริงๆแล้วนะ คนไม่ชอบทุมันจัดคดกันหลายหลายเรื่อง <S <S <S <ๆ S 1> เคยถามแต่มาน้องพ่ออาอยุดีกี่ปีแล้วไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงะรู้แต่คนบอกนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลวงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แ้วไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่วันมันรูร้รู้ไม่จริง เมื่อกูเหือนกันกับคนน่ะรู้ว่าคนคนแตมไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงจริงน่ะรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทั้งโลกเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยรู้ตัวเราเราก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราแล้วเราจะไปทําไมให้ใครล่ะจะไปเบียนเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทําอะไรให้ใครล่ะ เราอยากทําอย่างไงนึกตัวเราเราอยากเป็นอยังไงนึกเนี่ถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบเอไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาลส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างเนี้ยมันก็รู้หมดตัวคนคนอื่นตัวเป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทําไม เนี่ยไปทำคนนั่นก็เหมือนทำเราเองเนี่ยไปอิจฉาคนนั่นก็เหมือนอิจฉาเรานี่เนี่ยก็เราก็คนนั่นกับคนคนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยนสภาพกันมาลบแต่มันเปลี่ยนได้อย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่ใเนี่ยมันโตขนาดนี้ไหม เ, เกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมเมื่มาถึงบัดเนี่ย เดี๋ยวนี้กับเด็กเป็นคนลคนห ร, รือเปล่าหรือนางคนคนเดียวกันี <L un> น่เราดูนี่นะอย่างต้นไม้อยู่หน้าหน้าบ้านเราเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ในอกระป๋องนะนมันโตโตขึ้นโตขึ้นบัดนี่มันโตถึงโน้หนหลายเม็ดเนะนี่ยอกระต้นต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะเย ต้นนั้นทำไมมันโตขนาดนี้เหมือนไม่เล็กขนาดนั้นทำไมเป็นงินนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นไปอย่างนี้มันก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองละ่ะเราทุกทุกคนก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนถ้าพูดถึงต้นไม้ก็ปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีกสามปีก็เป็นต้นอื่น ต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเกา่าต้นมันโตจะเกิดเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่แก่เนี่ก็มันมาจากเด็กนี่น้อยนี่นี่มันอันเดียวกันเท่านั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รู้จักเบียนเบียนใครคนเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโกหกคนอื่นก็เหมือนโกหกเรา อือนะนะฉะนั้นฆ่าตัวเองทําไมมันจะบาปนี่ทําไมมันบาปไหมนี่ตัวเองเนี่ยฆ่าบาปพระตัณฑาบาคฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะนะออยากจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไหรก็ได้นี่ของของเราเนี่ยาทาไมก ร, รมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาป เราเข้าใจตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเท่านั้นเนี่ยอือันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์นนษยรูปร่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันอืแต่ว่า ถ้าบ่ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะเนี่ยมันฆ่ามันแกงกันมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะอืมอะถ้ามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจริงมาเรียนพวกเรานี่นะอืมสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์อืมให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงอืมให้อภัยกันถ้าเป็นมนุษย์ให้อภัยกันอืม รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไรหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคนอืมอย่างโยมผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เห็นว่าเอ้ อ, อนี่แด็กพ่อเรานะนัะ่นเข้าใจอย่า ง, งานั้นโยมผู้ชายเห็นผู้หญิงนี่ออนแม่เรานี่มันเห็นอย่างนี้มันจะทําอะไรกันอืมจะทําทอะไรกันอาจะมาเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นพ่อบ้านครับ แกเข้าใจผิดนึกว่ามันถูกวะเด็กมั น, มนดื้อในบ้านในหลายคนมันไปหาโป้นหาขโมยข้าวมันเบี้ยบเด็กมาประชุมเอลูกหลานอย่าไปทางี้ทีถ้าจะทําอย่างงี้อย่ามาทําบ้านเรา น, ะน่ะนะไปทํานู่นไปไกลนู่น่เนี่ยยังมาทําบ้านเรายังมาทําไม่ไปทำบ้านอื่นดีกว่าอย่ามาทําบ้านเรานี่ คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะนึกว่าสอนดีเต็มทีแน่นะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นน่นะสอนเด็กบ้านเขานะ่ะให้ไปทำบ้านโน้นบ้านตะแก่นะั่นนังว่าทำบ้านเราได้สบายไงกันละ <c oughs> <c oughs> คือมีแต่พูดไปโยมไม่ไม่ไมหวนกลับมาดูของเรา คนเอาดีเตือนเอาค่ะเห็นว่ไอ้ตนมันเป็นตนจริงๆเป็นก้อนเนี่เป็นต้นมากกว่มีความคิดอย่างนี้อนี่มีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ต้นเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตนอย่างนี้เป็นเหตุเตยเป็นเหตุให้โลกมีวิบากเห็นเป็นตัวเป็นตนรั้นถือมั่นถือรั้นถือขังเป็นอุปทานคืมเป็นเหตุให้ลบลาฆ่าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลาย ถ้าเป็นเกลียวนหมุนเข้าไปทางขวเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่ร บ, บายออกทางน น, นั่นพระพุทธองค์ท่นานว่าอะไรไม่เป็นคุณค่าที่จะทําให้มันคลายออกมาคือการให้ทานีน่การให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามาน่ะ ให้คนอื่นนี่มันก็แปลกนะืออถ้ามนเห็นแก่ตัวจริงกิ้งแล้วก็มันก <c oughs> ็้มาอยากจะให้ใครนะแต่ให้ทานบางอย่างก็เห็นแก่ตัวหแต่ว่าอยากได้บุญนี่อันนะีงนะเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากไปบุญก็เป็นเหตุนในให้ออกให้ที่ใคร <c oughs> เป็นทานบารมีเป็นบุญไปสร้างบุญกันทําบุญกัน <c oughs> สร้างพระที่อย่างนะ บางทีจนกระทั่งว่าไอ้ปลามันอยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาพระฉันจะปล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยสัตว์เอาเอาบุญบางทีหอยมาอยู่ในน้ําไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านโคกโคกไปปล่อยสิยแม่น้ำในน้อยมันตายสิเลยเนี่ยให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเดือดจับมันมาปล่อยทําไม มันอยู่เมรุน้ําใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะถ้าจับมันมาปล่อยเดี๋ยวก็ไปขออบุญกับมันอีกนะเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะอจะมาไปพวาบเหมือนกันเข้าปล่อยนกกันน่ะจับใส่กรงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมันหนังแก่ไปเอาอาหารเนี่ยมันกินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละ นกุ้งเก่าเนขายตลอดเวลาขายสร้างบ้านสร้างเรือนนี่นั่นอะไนี่แต่าบานอาตมากระหมูขเข้าไปในตรงนั้นอย่างนึกพ่อชื่อนกขายอาตมามังก็เป็นพระแฝกเขาเหมือนกันนะไปยืนมองหนะ้าบอกว่าโยมใครจับมานี่เอามือขี้ใส่กรงนกใครจับมันมานี่โยม ฉันอยู่ปเอ้าใครจับมันมาคนนั่นก็ปล่อยมันที่อะไรนี่อยากจะเอาบุญกับนกนี่อยากไปเอาบุญอย่างงั้นไปจับ ม, มาในคนอื่นมาไอ้คนนี้ยิ่งอยากจะเอาสตางค์มาเลยยี้ยงแหละเ่าบุญไอ้ปลามันอยู่ในหนองมีรีเนีย่ยไปจับมาปล่อยเนี่ย ว่าฉันได้ปล่อยปลาแล้วหอยดีก็ไปจับมาปล่อยไปฉันได้ปล่อยหอยแล้วมันปล่อยอยู่เองพวกมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไมบางทีเราเอามันปล่อยใส่เมยน้ำนิดน้อยนะแรงมันเขียดแท้งไปมันก็ตายปล่อยไปไอ้เมาน้ำใหญ่ๆมันดีมันพอแลยไ้นี่คนทาบุญนี่มันก็ยากนาย่ คือหาอาบุญอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี้มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบาปให้หนักในการในกรรทำบาปนั้นมากๆอยู่นั่นตัวสำคัญมันให้หนักในการละบาปในทางคุทธาสานชนาท่านกสอนสสนะสัพปาปัสสะอาการนัง พุทธะสูปะสัมปทาสกิตะปิโยทะปะนังเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหวัวใจภาษาชนาถ้าประปาปะสักการณงการไม่กระมบาปทั้งปวงนั้นเลิศแต่ดูหัวใจภาษาชนะเลยนี่ยกุทธะสูปะสัมปทาอื เมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วใจมันก็สบายสงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนะเมื่อจิตสงบแล้วมันคน้นผ้วในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรู้ว่าดีชั่วผิดถูกบาปบุญมันรู้ขึ้นมามันก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่วบาคนเราบางคนนะ บางทีก็อยากจะเอาบุญ น, น, นี่ผ้ายังสกรปรกอยู่ยังไม่ทําสะอาดอยากจะย้อมสีซะแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเจ็ดเท้าหนึ่งี่ไปย้อมสีดีเนี่ยที่ยังไม่ฟอกมันจะกินสีไหม ย, ยิ่งร้ายก็เก่าอีกแล้วเนี่ยยิ่งสกรปรกจึงไปทาแป้งหน่ดิไป่ต้งทำให้สะอาดมันจะสวยไหมนี่ น, นี่การกระทําบาปเนี่ยการไม่กระทบาบาปเนี่ยมันเลิศ มันเลิศที่สุดอ้าการกระทําบุญหรือการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้นี่มันแจกคนได้แนะนามาให้ให้ให้ทานก็ได้แต่ว่ามันที่ให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่วมันเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนเนี่ยมันหยุด เป็นโจรนนะคือให้มีศีลห้านะ่โอ้ยมันไม่เอาแล้วเนะ่มันยากไว้นั่นนะมันยากที่สุดตรงนั้นนะแนะมันยากที่สุดนะนะการจะลารกความชั่วนะ่นะไม่กระทำความผิดแต่มันยากคนเรามันยากการกระทำบุญทุนทานนี่มันได้จบับตูโจรมันก็ทำได้อืนะี่ไม่เป็นปารนะีสมา การไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ยมันเป็นต้นเหตุหายากการละบาปอาชมาเนื้อวะละบาปนั่นอไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นเน่ะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันอถ้ามันเป็นถูกแม้บุญของอิฉันเป็นอย่างวุเ น, นี่ยถ้ามันทุกมาเออกรรมอะไรนาะของอิฉันนาะเป็นอย่างนี้เนาะ มันเป็นอย่างงี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันเป็นไปเพราะกรรมสร้างกรรมอย่างไหนไว้ทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วมันก็ถูกแล้วแต่เราคิดผิดเท่านั้นแหละเราคิดผิดเท่านั้นทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วน้ำในตุ่มหนึ่งเอาน้ำในตุ่มมันเต็มแล้วมาตักออกไปขันหนึ่ง เที่ยงเลยเด็กก็เอาขันเก่อไปตักมาอีกใส่ทีหนึ่งซักเมื่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันหนึงเอาเข้าขันหนึ่งเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันเต็มเมื่อไรมันหมดไหมนี่อืเรียกว่าเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้าทำบุญก็ทำทำบาก็ทำมันก็อยู่อย่างนี้เอาออกไปนี่ก็ว่างไปอีก หายเต็มไปมันว่างเอาหายเต็มเรียวมาใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกที่ยังนีนะ่ถ้าหากว่าเราละบาปยําไงเอาขันขันนัน่นมาตัดน้านในตุ่มนาทีนตัดครุบเทออกอีกนาทีที่สองตัดครุ อ, อกเทออกเทออกเท่านัทนอกเท่องเทเข้ากเทออกเออกเทออกเทออกเทอเกเทกเทออกเทกกเทออกทอเทกเ ไม่ต้องยกทั้งตุงเทเราเอาออกทีละขันเท่านั้นแหะแต่อยเอาเข้ามาเพิ่มอีกอไม่นานน้ำหมดไม่มีเหลือนี่นี่ว่าการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเรียนไปอย่างนั้นทุกวันนี้พวกเรานั่นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งเรื่นนงองเข้ามาสองก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เน <anca> ื้<า>อออกมาสองมาสามก็ไม่รู้ล้วอยู่อย่างเงี้ยมันก็พบอยู่เนี่ยเราทำอย่างนั้นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างคุณบัง่งเนยปรลัมประระน่ะก็เป็นอยู่ในอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ในอารมณ์ที่ชอบใจบ้างบางทีที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างอารมณ์ที่ชอบใจก็สุขสบายอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ กระบวนารคำดิฉันอะไรเนาะ ร, รมดิชันอะไรเนาะนั่นก็กรรมที่เราทําขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันกรรมมันกรรมจะทำในเมื่ อ, อไรก็ไม่รู้มันมันทําอยู่นั้นอีกชาติหลังมันจะทําอย่างนี้เรื่อยๆมาบางทีเรามาพึ่งพึ่ ง, งตื่นขึ้นชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปสักหน่อยหนึ่งไหมอืม มันทำมามากอย่างนี้จะไปสสัยมันติเราก็จะไปทำอะไรกันมันกวนําบากบางคนก็หาอยู่หากินไม่เคยร่ำรวยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนจนเร่งไปหาไอ้คนทรงนี่ศูนเจ้าเข้าทรงไปดูดูฉันจะเป็นไงฉันจะมีโชคไหม ฉ, ฉันจะมีอะไรไหม ถ้ามันอย่าไีไม่มีเคราะหฉันจะมีเคราะห์ไหมอะไรไหมอ่าหรืเป็นว่าไม่อยู่กันสทีหนึ่งบ่อยอย่างนี้ตามไปอย่างนั้นหมดคือคนไม่ไม่เห็นในตัวเองไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอำเภอกันทรักษ์มาออกทำการ้านค้าขายไม่ไม่ค่อยมีใครมาซื้อ น้อยโขกน้อยใหญ <Ooh. S 1> ่เขาบอกหนูพ่อวัดนลวงปู่คงเวอืมไปหาทันถึงว่ามันสบายเลยมาเมื่อวันท้องวันเนี่ยทาไม่ไปอยู่มันนั้นทีมาพบอยู่ที่บนโบนี์บอกมาว่าขอของดีของหลวงพอ่อเของดีอะไรออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้อจเจอาหลวงพ่อไปขายด้วยหนะ อยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีมันจะดีกับกายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดไอ้คนจนคนรวยสำไหนเนี่ยเฮ้ยทุกจักรผ่อนพันที่ทำไอ้ของดีๆจะเอาไปในไวในบ้านนไปวางไปมันขายดีๆจนชาวเมืองกันทรักไม่เลยขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ย ให้ก็มาซื้อแใ่บ้านโยมทั้งนั้นแหละเด็กในโยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเนี๋ยนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบ่งขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวม็แล้วเท่นา น, น, นั้นเองเดี๋ยวก็กมาปนท่านั้นแหละมันจะอยู่สบายไหม <c oughs> ไปทําอะไรแบบนีน้คนคนคิดจนเกินไปเนี่ยอืไม่ทันไม่ทันใจหรอก อยากจะให้มันไล่เดี๋ยวนี้โอุย้ยอัตมาบอกแลค่อยทําไปเถอะมันไม่โจร น, นอกโยมมันมีตามีแข้งมีขามีกัยวิวาทุกสิ่งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติทำเลยไม่โจรอัตมาเห็นคนไม่โจรมองเห็นแล้วกว่าโจรก็ไม่เชื่ออัตมาเห็นเชื่ออราเจคนนึงคือไปเห็นด้วยตาคนนั่งรถไปเดินไป ไปเห็นคนคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ขานีขาดนี่แขนนี่ก็ขาดหมดเลยตาหมดยืนพิงต้นไม้อยู่เฉยเอออันนั้นทุกจริงมันจนเนดินไม่ได้ทําม่ได้ไม่ได้ตาก็ไม่เหน็นนั่นเห็นคนมาอันนั้นเป็นมันเป็นจนจริงมันทุกจริงอันนี้เราดีลืมไปถึงไหนถึงไหนก็ได้พูดอะไรอะไรก็ได้เดินไปถึงไหนก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้เนี่ย อมันเสียแต่ย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาทุกนั้นเนี่ยค่อยๆ ท, ทําไปดินี่ยนะนี่ น, นะไอ้ของดีมันอยู่ที่ปากของเราเนี่ยอยู่ที่ใจของเราเนี่ยกายวาจาของเราเนี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้หรอกต้องทําอย่างนั้นถึงผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรเมื่อวันนะั้นเรื่อยให้ชันหมากพันหนึ่งไปซะอ๋ะออันนี้ละ อัาตมาก็ไมีมีมวะไม่รู้จะเอาอะไรมาเห็นมากก็กินมากก็ฉันมากเอาไว้นะดีก็ดีทาให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นน่ะเอาอะไรไปมันก็มีมันก็ทําไม่ดีเอาฉันหมากไปที่นี้มันแต่ดีรักษามันจะดีแต่ทําให้มันดีเนียถ้าทำให้มันไม่ดีมันตัวนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละจะทํายังไงนี่เนี่ยว่าทำดีมันเลยดีทําชั่วมันก็ได้ชั่ว คนไม่ไว้ใจบางคนใจร้อนเกินไปเนี่ยปลูกตนไม้จะพูดถึงอือปลูกตนไม้เอาเบี้ยต้นไม้มาปลูกตรงนี้ปูกมลไม่รู้จักหน้าที่ของเราเลยหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรหน้าที่ของต้นไม้เป็นอย่างไม่รู้เรื่องกันหอบกำลังไปทาหน้าที่แทนต้นไม้ อยากเห็มันโตวันโตคืนขึ้นไอ้านหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเรานั้นก็าต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ําไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นหน้าที่ของเร า, ารักษาแมลงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรอื่นเออันนั้นไม่ยังงั้นดิ ตอนเชา้าคนนี้ไปยื น, นผลนไม้ม่มันนานตัวหรือเกินน้อนะเมื่อไรมันจะได้กินเน้ะได้ยิ่งปลูกมะพร้าวท่นะอ่ะปลูกไปทําไมมันขี้เกียจโอ้นั่นคิดไปมันหลายปีนอ้าวตายก่อนจะได้กินนึ้นะาคิดไปคิดมาไอ้ต้นบนต้นใงามเน้ะไปคิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ หน้าที่ของเราให้หน้ามันไป ร, นไรักษาแมลงไหมอย่างไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้จะกลายไปทําหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยทีดีไม่ดีมันนานโตอะไรกันดินตรงนี้มันไม่ค่อยจะมีปุ๋ ย, ย ด, ดีที่มั่นเนี่ยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าให้ถอนไปอีกถ <laughs> อนเป็นลาบมันก็าขาดตปอีกแล้วนะเอาไปปลูกตรงนี้งงยันนั่นแล้วไม่โตสักทีหรือแล้วเอ้า นานไปนานมาก็มันนานัวแล้วหรือตรงนี้มันดินไว้ดีหรือถอนที่โขกเท่านั้นเอได้ตายเลยไม่ได้จริงนี่ไอคิดใจของคนมันเป็นอย่างไงเนี่ยค่อยๆทําค่อยๆไปเราไม่รู้จักหน้าที่ของเจอบของหน้าที่ของต้นไม้ไอมันจะร่ามันจะรวยน่ะเราทําดีไปเถอะเป็นพื้นไปนั่นเอืม ทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเธอเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันใครว่าอย่างไงก็อย่าไปอะไรมันทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองมองมันพนันแหละนี่ถ้าเราทําอย่างนี้มันก็มีหยุดี่ทําทํางานได้มีสเต็กปลูกต้นไม้ดูที่ว่ามันไม่มีทุกทํางานโดยที่ว่าต้องไม่ต้องทุก ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องรู้จักอย่างนันนี่นี่ออาแต่สุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่บีทีคูณทั้งนั้นนี่เว้ยวิธีรบมันไม่รู้จักคุณมเมเดียนนี่วิธีหาน้องก็ไม่ทำเนี่ยมันจะไม่ทำบีีบวกก็บิธีคูไม่จะบีทีใส้ด้วยล่ะต้งมาหมดเท่านั้นไง <c oughs> ไม่ไม่พอใจเราไม่สมใจแล้วก็มองข้ามรั้วไปหาคนอื่นเท่านั้นเนี <c> ่ <oughs> ไปหาหลังแกคนอื่นครับอืมเลยก็ออกเท่านั้นหะหาเดือนต่างๆนี่หยิบช้าด้วพยาบาทกระพัดอย่างเพราะผมไม่รู้เรื่องว่ะนี่อีกนี่ฉะนั้นจึงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอย่าให้รู้จับตีเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ จะทําอะไรไมันคิดด้วยถูกสิถ้าผิดเลิกสิถ้าถูกพยายามขยันนะนี้แก่จะของนี่อืมนะอันนี้คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเี่ยมันร่วงไปถ้ า, ม, ม, ามันจะว่ามันร่วงไปถ้ามันร่วงไปเราจะยืนตัวอย่างนี้ได้ไหมชีแ้แต่มันก็ร่วงไปร่วงไปนะ